ผู้ดำเนินรายการพานุมาตรัตถบุญสร้างสารรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะเรื่องราวของสารพันห้องครัวที่เรากลับมาพบกันนะคะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนั้นอัดแน่นไปด้วยสาระแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับการเข้าครัวในช่วงแรกนะคะแล้วก็ช่วงที่2นั้นเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการพลาดไม่ได้เลยกับการทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ นะคะเคาน์เตอร์ต่างๆเราก็จะมีวิธีดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างเช่นเคยเลยโดยช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของอาการทําอาหารเคล็ดลับการเข้าครัวต่างๆกันซึ่งวันนี้เอก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันช่วงหน้าค่ะ เก็บทางเมงใจตามติดรนชดหวังวเธอจะไม่ไรักจนนคดีผู้เป็นรักในใจไม่มีเธอคงคิด กลบเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกลเมิดครัวไอเดียกันแล้วนะคะช่วงนี้เคล็ดลับง่ายๆในเรื่องของการเข้าครัวที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟัง10ข้อด้วยกันนะคะวันนี้เ ร, เริ่มกันที่ข้อแรกเลยสำหรับการหุงข้าวนะคะเราเข้าวแฉะแก้ปัญหาโดยการใส่ขนมปังปอนค่ะซัก 2-3 ถึงแผ่นนะคะลงไปในหม้อปิดฝาหม้อไว้ให้แน่นแล้วก็ ไ, ไม่นานนะคะข้าวเนี่ยก็จะสวยขึ้นมาได้เรียงเม็ดเลยทีเดียวเพราะว่าขนมปังนั้นจะช่วยดูดน้ำเอาไว้ค่ะข้อที่สองนะคะเคล็ดลับการย่างเนื้อในเตาถ่ า, านให้ใช้เกลือเนี่ยโรยไฟนะคะให้ทั่วขณะที่ไฟติดเกลือจะทำให้ไฟเนี่ยติดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องพัดให้เปลืองแรงนะสหรับเตาถ่านนะคะอีกทั้งถ่านเนี่ยจะมอดดับได้อย่างช้าๆเป็นการประหยัดถ่านไปในตัวด้วยค่ะ ข้อที่3นะคะแก้ปัญหามอหุงข้าวไฟฟ้าใบใหม่ที่ข้าวเนี่ยมักจะติดก้นหม้อให้นำหม้อนะคะที่เป็นหม้อข้างในเนี่ยมาแช่น้าสักครู่หนึ่งประมาณ 5-10 นาทีไม่ควรแช่นานกว่านี้จากนั้นให้ใช้ฟองน้ำค่ะขัดหม้อเบาๆเพียงเท่านี้เองนะคะก็จะหมดปัญหาในเรื่องของข้าวติดก้นหม้อแล้วล่ะค่ะข้อที่4นะคะแก้ปัญหากระทะใหม่ คนที่มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการทอดอาหารแล้วอาหารเนี่ยติดกระทะนะคะก่อนนำจ น, นใช้เนี่ยให้เทน้ำส้มสายชูผสมกับน้าเท่าๆกันลงในกระทะก่อนเราก็นำไปตั้งไฟรอจนเดือดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูทิ้งนะคะใช้น้ำสะอาดล้างอีกทีหนึง่งจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะ ข้อที่หกันบ้างนะคะทำคุกกี้ไม่ให้แตกละเอียดง่ายๆให้นํำข้าโพดคั่วค่ะที่ยังไม่ได้คลุกเกลือเนี่ยนะคะมาวางรอบๆ บ, บนพื้นกล่องแล้วก็วางคุกกี้ไว้บนนั้นค่ะลองไปทํากันดูนะคะข้อที่6ค่ะปอกแอปเปิลไม่ให้ดําให้นำแอปเปิลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะมาแช่ในน้ําที่ผสมน้ํามะนาวเอาไว้ค่ะข้อที่7นะคะเก็บกล้วยน้ําว้าให้ได้นานๆหาภาชนะใส่น้ำนะคะแล้วก็ต้มให้เดือด นำกล้วยน้ำวาาลงไปแช่ประมาณ3นาทีแล้วก็นำไปแขวนในที่ที่มีลมกโกลกค่ะน้ำเดือดจะฆ่าพวกแบคทีเทรียนะคะจะไม่ทำให้กล้วยเนี่ยเสียเร็วแล้วก็อยู่ได้1ิวันเลยทีเดียว มาถึงข้อที่8กันบ้างค่ะเก็บเนื้อสดข้ามคืนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นให้เอาเนื้อทั้งก้อนเนี่ยนะคะไปจุ่มลงในน้ำเดือดแล้วแขวนไว้แบคทีเรียบางส่วนในเนื้อนั้นจะถูกฆ่าตายไปค่ะทำให้เนื้อไม่เน่าเสียนั่นเองมาดูข้อที่9ก้ากันบ้างดีกว่านะคะลดความเปรี้ยวของสับ ป, ประรดให้นำมะนาวค่ะเปลือกเขียวนะคะมาบีบลงบนสับ ป, ประรดแล้วก็โรยเกลือ ทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างเบามือนะคะข้อสุดท้ายแล้วละค่ะลดความเค็มของผักดองให้นำเหล้าเน่คะที่แช่เย็นเนี่ยมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เท่าๆกันหั่นผักดองที่เค็มเกินไปนียคะแช่ไว้สักครู่หนึ่ง ความเค็มของผักดองก็จะลดหายไปค่ะและนี่คือ10เคล็ดลับนะคะที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้แต่ว่านี่เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะช่วงหน้าคั่นแคปแป๊บเดียวเท่านั้นเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วในช่วงที่สองของรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะ คำว่ารักคงไม่สําคัญเท่ากับใจเท่ากับใจใจที่เรามีกันและกันอย่ากโกรธเลยอย่ากโกรธเลยที่ตัวฉันไม่ได้บอกไปอาจจะลืมอาจจะเลือนทำให้เธอต้องไปแอ บ, บน้อยใจบ่อยและอาจจะคิดว่าเราไม่เคยรัก ฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือยังให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหมแค่ขอได้บอกว่าฉันกูพันเพียงไหนก่อนจะใกล้กันอยากบอกให้เธอฟังว่ารักเธอ ที่บอกเธอในวันนี้วันที่เราต้องไกลห่างกันอย่าห่วงเลยอย่าห่วงเลยคําว่ารักไม่กลัวเส้นทาง เธอฟัง จะใกล้กันอยากบอกให้เธอฟังว่า กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการกลเม็ดครัวไอเดียเล่วนะคะช่วงนี้เรื่องราวของกลเมตรเกรดเสริมครัวนั่นเองเรามีวิธีนะคะที่จะจัดห้องครัวให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องพึ่งตู้หลายใบกววิธีด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ฟังลองนำไปใช้กันดูนะคะแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่า9ข้อนั้นมีอะไรกันบ้าง ครัวสวยๆบางบ้านเนี่ยะะยิ่งเป็นครัวสมัยใหม่แล้วเน่โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมักจะมีขนาดเล็กถึงเล็กจิ๋วแต่ไม่ว่าพื้นที่ห้องครัวของเราจะเล็กขนาดไหนก็จําเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทําอาหารดังนั้นพื้นที่จัดเก็บจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะยิ่งถ้าให้ใครเช่าคอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์อยู่นะคะก็คงไม่อยากลงทุนติดตั้งอุปกรณ์อะไรมากนักวันนี้เอก็เลยได้ข้อมูลดีๆจากสนุกนะคะที่จะมาะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นํามา บอกเล่านะคะบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันถึง9วิธีนะคะดีๆเลยที่จะทำให้ห้องครัวของเรามีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์นะคะไม่แพ้ครัวใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะ ข้อแรกนะคะใช้ชั้นวางของหรือชั้นเข็นของที่มีล้อเคลื่อนที่ได้ที่เก็บของแบบนี้มักจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บเคลื่อนที่ที่มีประโยชน์ใช้สอยรอบด้านค่ะทุกวันนี้นะคะอุปกรณ์พวกนี้ได้รับการออกแบบให้ดูสวยงามน่าใช้มีล้อเลื่อนทำให้เราสามารถย้ายที่ได้ทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็จุของได้หลายประเภทเลยละค่ะ ข้อที่สองนะคะเพิ่มพื้นที่เหนือตู้เก็บของด้วยชั้นวางแบบปล่งๆชั้นวางของแบบนี้ใช้ง่ายแล้วก็มีราคาไม่แพงสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของให้เราได้มากทำให้จัดเก็บอุปกรณ์ได้เป็นระเบียบมากขึ้นเราสามารถหาซื้อมาวางได้เองโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายค่ะ ข้อที่3นะคะแบ่งพื้นที่ในลิ้นชักเป็นช่องๆเพื่อแยกชนิดของสิ่งของที่เราจะเก็บนอกจากจะทำให้เข้าของเนี่ยเป็นระเบียบขึ้นแล้วยังทำให้เราเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นด้วยวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับช่องเก็บอาหารในตู้เย็นเช่นเดียวกันนะคะทำให้เราแยกประเภทของอาหารหรือวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารได้ด้วย ข้อที่4ค่ะราวแขวนม่านสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในห้องครัวได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราวแขวนม่านจัดว่าเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ที่เราสามารถนํามาติดตั้งเพื่อแขวนสิ่งใดก็ได้นะคะแทบจะทุกห้องเลยในบ้านอย่างในกรณีของห้องครัวเองเนี่ยอาจจะนํามาใช้เป็นพื้นที่สําหรับการแขวนหม้อกระทะตะหลิวทัพพีได้เช่นกันค่ะข้อที่5นะคะใช้แผ่นแขวนของที่เรียกว่าเพ็กบอร์ดค่ะ อุปกรณ์นี้ส่วนมากเราจะเห็นมีการนํามาแขวนเครื่องมือช่างนะคะเป็นแผ่นไม้หรือว่าแผ่นเหล็กเจาะรูตลอดทั้งแผ่นเราสามารถนํามาใช้แขวนของในห้องครัวได้เช่นเดียวกันเพียงแค่นาไปติดกับผนังนะคะด้านที่เหมาะก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดเก็บแล้วก็การแขวนอุปกรณ์ห้องครัวได้มากเลยทีเดียวค่ะมาดูข้อที่6กกันบ้างนะคะข้อนี้โต๊ะกลางลอยตัว หากในห้องครัวมีพื้นที่มากพอโต๊ะลอยตัวนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากค่ะทั้งใช้เป็นที่เก็บของแล้วก็ใช้เตรียมอาหารได้ด้วยข้อที่7นะคะชั้นวางของแบบโปร่งไม่ต้องเป็นตู้ไม่ต้องมีประตูปิดชั้นแบบนี้เนี่ยออกจะจุของได้มากแล้วยังทําให้ดูไม่รกตาไม่หนักตานะคะห้องดูไม่แคบไม่อึดอัดด้วยสามารถเลือกวางมุมใดมุมหนึ่งของห้องก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นชั้นวางจานชามแทนก็ได้นะคะ มาถึงข้อที่8ดกันแล้วค่ะชั้นลอยแบบติดผนังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยเราสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บจานชามหรือว่าโชว์ชุดถ้วยจานชามได้ด้วยเช่นกันค่ะ สุดท้ายนะคะข้อที่9้าอย่าลืมว่าพื้นที่ภายในเตาอบของเราก็ว่างอยู่ในเวลาที่เราไม่ได้ใช้เตาอบทําอาหารบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้เตาอบเป็นที่เก็บของได้ทั้งหม้อกระทะอุปกรณ์ห้องครัวอุปกรณ์ครัวที่วางอยู่ข้างนอกแล้วมันดูแบบว่ารกหูรกตาจนเกินไปจัดเก็บไปไว้ในเตาอบได้เสมือนเป็นตู้เล็กๆใบหนึ่งเลยละค่ะ และนี่คือ9เทคนิค9ข้อนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่2ของรายการกลไลแม่ครัวไอเดียกับเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวแล้วก็การจัดประโยชน์พื้นที่ใช้สอยนะคะในห้องครัวอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะลองนำไปใช้กันดูนะเผื่อว่าพื้นที่ของห้องครัวของคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการทาอาหารนะคะจะได้ไม่เ อ, อ่อรกแล้วก็หน้าทาอาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้เอมีวิธีการทาความสะอาดเครื่องครัวที่เป็นไม้เราก็ภาชนะไม้มาฝากกันรอติดตามกันช่วงหน้าค่ะ เป็นเพียงเพราะหัวใจเธอไล่ฉันอยู่เคียงกันจะพบชาดได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันโฮโฮไม่ว่าด้วยเหตุอันใด แกเจออยากเคียงชิดคู่ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไปเหตุใดภาพเธอยังปรึงอยู่ในหัวใจเหตุใดหรือจะเป็นดั่งพรมจัดวางและคอย ส, สร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรหมคีดไว้เสมอให้เราเจอกัน ใใจเราสองมากไกลเท่าไดรต้องมาพบ ใจพันหัวใจเคียงกันไม่ว่าด้วยเหตุอันใดไม่ว่าจะมีใัยอันตรายอันใดย่ำไกลเธอทุรนทุรายกวนก็วายจนมองหากันไม่เจอนอกเพียงเธอเชื่อใจฉันเมื่อนั้นเธอเจอเดียวรู้ว่ามีฉันใกล้ใกลเธอตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาจะกี่พบกี่บันปลายแต่ที่ไม่คลาไม่จางหายจบจนฟ้าดินล้ายฉันรากเธ จะดุเหมือนกับปิดบูแต่ดันน่ารักเหมือนกับชิสุถ้าเป็นหนังสือคุณต้องพลิกดูตอนจบสองเราจะชีวิตคู่หากคุณไม่เชื่อคุณต้องพิสูจนดูการกระทำพลาติกถูกวัดลักตีจุดลองตีจุดจนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่ดูเหมือนมันโลกกลมจะวาวบนเอิร์นก็การไปคงท้ากันเดินไกลก็เพาะมันทําห้ฉันเพอปลินใจอุปสรรคและกวากน้ําที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักเธอรู้ใจ เป็นดั่งคมจัดวางและคอยสร้า ง, างให้เราได้เจอหรือว่าพรมคิดไว้สเสมอให้เราเจอกันหรือเป็นรพรหมผูกใจเราสองแบกไกลเท่าไหร่ดูมาพบกันและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอสุดขอบฟ้าหรือต้ยทารา หมื่นผู้พาร้อยพันดาราดับลงมืดอมนอเพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบชาดได้ไม่มีวันกลายกายผูกใจพันหัวใจเพียงกัน oh สุ ข, ขอบฟ้าหรือต้ทรา h u d e a n d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 สอบถามเพิเ่มเติม0 2 5ย์สองหเกกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เรื่องราวของการทำความสะอาดห้องครัวแล้วก็อุปกรณ์ครัวต่างๆซึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องราวของการทำความสะอาดเครื่องครัวไม้และภานชนะไม้ค่ะ ไม้เนี่ยคือวัสดุชนิดแรกๆนะคะที่มนุษย์นำเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในการทำครัวซึ่งตามปกติแล้วเครื่องครัวชนิดต่างๆที่อยู่ในบ้านมีทั้งทำมาจากวัสดุมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมเหล็กหรือว่าทองแดงซึ่งวัสดุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยวิธีการดูแลหรือว่าการทำความสะอาดค่อนข้างที่ะจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะเนื่องจากดูแลค่อนข้างง่าย ยกเว้นแต่เครื่องครัวที่ทำมาจากไม้ต้องดูแลใส่ใจแล้วก็ทำความสะอาดเป็นพิเศษเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนมากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆค่ะ ทีนี้วิธีการทําความสะอาดเครื่องครัวที่ทํามาจากไม้ที่ถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยอย่างแรกนะคะอย่าแช่เครื่องครัวทั้งหลายที่ทํามาจากไม้แบบทิ้งไว้ในอ่างล้างจานจนข้ามคืนอะไรแบบนี้เพราะว่าจะทําให้ไม้เนี่ยเกิดผุนะคะหรือว่าไม้ขยายตัวขึ้นมาได้อย่างที่2ค่ะหากต้องการทําความสะอาดเขียงนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีกลิ่นต่างๆ ต, ติดอยู่มากมายจากการใช้งานและมักจะจัด ก, การกับกลิ่นที่ติดมาเนี่ยได้ยากวิธีการทําความสะ อาจเียงเพียงแค่นำเกลือป่นข่าวมาทาบริเวณเขียงนะคะแล้วก็เอาสกอตไบท์ขัดให้ทั่วเพียงแค่นี้ก็ช่วยให้กำจัดกลิ่นที่ค้างอยู่ออกไปได้แล้วละค่ะ ต่อมานะคะหากต้องการทำความสะอาดช้อนไม้ตะเกียบไม้หรือว่าทัพพีที่ทำมาจากไม้ให้เอาเกลือป่นค่ะผสมลงในน้ำอุ่นนะคะแล้วก็คนจนเกลือละลายแล้วแช่อุปกรณ์เครื่องครัวที่ทำมาจากไม้ลงไปใช้เวลาประมาณ20 3 0ถึงนาทีแล้วนำมาล้างน้ำเปล่าเพียงแค่นี้เครื่องครัวก็จะสะอาดแล้วก็ช่วยลดกลิ่นที่ติดอยู่กับไม้ให้หายไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะข้อที่4ให้ใช้มะนาวฝานเป็นชิ้นบา ง, บาง แล้วก็นํามาขัดบริเวณผิวของเครื่องครัวนะคะจากนั้นเนี่ยล้างออกด้วยน้ำแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหากจะให้ดีนะคะให้นําเกลือเนี่ยมารยให้ทั่วใช้ผ้าขัดอีกนิดหน่อยเพื่อให้เกลือเนี่ยดูดซับความชื้นออกจากเนื้อไม้ออกไปค่ะต่อมานะคะให้ใช้ผงฟูประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะมาผสมกับน้ำสะอาดจากนั้นค่อยเช็ดภาชนะให้ทั่วแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีค่ะ ต่อมาเป็นช้อนไม้นะคะหรือว่าเครื่องครัวที่ทํามาจากไม้ชนิดอื่นๆหากมีคราบรอยดําทําให้ดูสกรปรกแล้วก็ไม่น่าใช้วิธีการแก้ค่ะให้เอาน้ําเกลือนะคะแบบเข้มข้นมาขัดจนทั่วจากนั้นให้เอาไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นําไปตากแดดอีกครั้งจนแห้งเพียงแค่นี้นะคะช้อนไม้หรือว่าเครื่องครัวไม้ต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาดูใหม่ได้อีกครั้งค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะกับการเก็บเครื่องครัวที่ทำมาจากไม้ในที่แห้งแล้วก็ไม่ควรอยู่ในอุณหภูมิที่สูงหรือชื้นจนเกินไปพอล้วนแล้วแต่จะมีผลกับเนื้อไม้ทั้งสิ้นค่ะ และนี่คือเทคนิคการทําความสะอาดเครื่องครัวเนี่ะที่ทำมาจากไม้แล้วก็ภาชนะไม้ต่างๆนั่นเองวันนี้นะคะเดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างกับสาระความรู้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าติดตามกันเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ3โมงจันทถึงสุขโภง02 549 3043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th